บทพระธรรมคุณทานองสรรพันยะธรรมคือคูณนากรสวนชอบสซธอนดุจ ด, ดวงประทีปชชวนแห่งองค์พระาศาสดาจาร กระจ่างใจมนทำใดนักโดยมาพน้นเป็นแปดพึงยนต์และเก่ากับทั้งนฤรุพานสมยาโลกอุดอพิสดารอันลึกโอนลันพิสุดพิเศษสุขใส คำต้นทางขันลายนามขนานคานไข่ปฏิบัติปริยัตเป็นสรงคือทางดำเนินดุจะคลองให้หลวงลูกปองยังโลอกอุดอนโดยตรงข้าข้ออ่อนอ่อนอุตม จํานงด้วยจิตและกายว่า